ผู้ใดจกเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจากระชติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ท่านทั้งหลาย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 ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากจะพึ่งถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีหยาดน้าค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใด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 จะไม่ตายไม่มีอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์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 การที่จะไม่มาแห่งมัจจุราชไม่มีเลย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 พึงคลายความพอใจในกายเสียทั้งภายในและภายนอกภิกษุนั้นมีความรู้ชัดในาศาสนานี้ไม่ยินดีแล้วด้วยฉันทลาคะได้บรรลุอมรุตตบดสงบดับไม่จุติกายนี้มีสองเท้าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นอันบุคคลบริหารอยู่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆ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 ผู้ยังคลุกคลีอยู่ในกาเมคุณเป็นผู้ตะเตรียมไปสู่ความตายเป็นนิดเป็นผู้ตั้งอยู่ในที่ใกล้มัจุราชจะต้องทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้เองกายอันอวิชาหุ่มห่อแล้วผูกรัดด้วยเครื่องผูกสี่ประการจมอยู่ในห่วงน้ำคือกิเลสปกคลุมไว้ด้วยข่ายคือกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานประกอบแล้วในนิวรห้า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 ท่านจงพยายามตัดกระแสแห่งตันหาจงบรรเทากามเสียเถิดพรามมุณนีไม่ละกามย่อมไม่เข้าถึงความที่จิตแน่วแน่ได้